บทที่25อิทธิฤทธิ์ของกรรมช่วงบ่ายวันนั้นจองเลิกตระเวนหาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะตั้งและอุปกรณ์สำคัญนั่นหมายความว่าเขาสามารถออกมาอยู่บ้านใหม่ได้โดยไม่จำเป็นต้องกลับไปที่บ้านพ่อแม่บ่อยนักแปลกที่เขาไม่รู้สึกแตกต่างนักระหว่างอยู่บ้านเดิมกับแยกมาอยู่ตามลำพังอ่านเป็นเพราะบ้านเขาห่างเหินกันอยู่แล้ว ถึงอยู่ชายคาเดียวกันก็ไม่เคยเจอไม่ค่อยทักทายไม่ค่อยแม้จะกินข้าวร่วมกันสักเท่าไรแต่ถึงเขาจะใช้เงินจากน้ำพักน้ำแรงตนเองซื้อบ้านหลังแรกในชีวิตมาก็หาได้ภูมิอกภูมิใจสักเท่าใดเห็นจะเป็นเพราะกะใช้สุกหัวนอนไม่กี่ปีนี่ยังไม่ใช่บ้านในความรู้สึกที่แท้จริงเงินผ่นล้านในมือทาให้เห็นมันเป็นแค่อิดปูนคุ้มแดดคุ้มฝนชั่วคราวเท่านั้น หรืออาจจะเพราะมีคนทำให้เขาเชื่อขึ้นมาว่าเงินจากการขโมยไม่ควรภาคภูมิเหมือนเงินจากการทำงานเยี่ยงวินยูชนหลังจากคุมการย้ายของเข้าบ้านเสร็จจองเลิศก็นั่งแท็กซี่ไปบ้านพ่อแม่เพื่อโยกย้ายถ่ายเทสมบัติสำคัญทั้งหลายรวมทั้งของเงินจากแม่ใช้เพราะหลังจากกด ATM ครั้งสุดท้ายพบว่าตัวเลขในบัญชีร่อยรอลงทุกที เดินเข้าบ้านเนื่ยๆไม่รู้สึกใจหายที่จะขนของย้ายออกนั่นเพราะคิดว่าคงไปไปมามาเรื่อยๆอีกอย่างหาใช่เขาจากไปไกลถึงต่างจังหวัดหรือต่างประเทศตอนถนนว่างๆนั่งแท็กซี่แค่20นาทีก็ถึงเปิดประตูเข้าห้องน้ําจะล้างหน้าล้างตาเดินอย่างที่เคยเดินมาชัว่วงนาตาปีแต่คราวนี้มีบางสิ่งรอเขาอยู่แตกต่างจากพื้นอันว่างปลอดจากพยันตรายดังเคย เพียงก้าวที่สามที่ย่างเข้าไปเนื้อฝ่าเท้าอ่อนๆก็กดลงไปบนของแหลมเล็กคมกริบชนิดหนึ่งถึงขนาดสะดุ้งแหกปากร้องลั่นราวกับโดนลูกธนูเสียบยอดอกโอ้ยยกฝ่าเท้าขึ้นดูจึงรู้ว่าตนเหยียบเศษแก้วเข้าให้แล้วจองเริกนิ้วหน้าตาถลนกระแทกตัวลงนั่งกับฝาซ่วมตามองเศษแก้วบนพื้นด้วยความสงสัยว่าใครช่วยขนาดนี้ทาแก้วตกแล้วก็ไม่เก็บกวาด ปล่อยให้คนข้างหลังบาดเจ็บได้เสียงร้องของเขาเรียกแม่มายืนหน้าประตูห้องน้ำในอึดใจเดียวอ้าวเริกนันทกาพักแค่นั้นแล้วหัวเราะขำเพราะเห็นลูกชายกำลังนั่งหน้าเครียดจ้องบาดแผลกลางฝ่าเท้านิ่งโดนแก้วบาดเหรอเด็กหนุม่มได้ยินแล้วโมโหเสียงหัวเราะก็ใช่น่ะสิแม่ใครมาทาแก้วตกไวเนี่ยฉันเองนันทกาตอบกล้วหัวเราะ อ, อย่างคนอารมณ์ดีที่กาลังมีเงินใช้เยอะแยะ โลกจึงปรากฏเป็นความบันเทิงเริงรมสดใสสว่างไปเสียทุกแง่มุมแต่คนหาเงินให้ใช้ต้องขบฟันขมความโกรธนึกออกเลยว่าตัวเองติดนิสัยชอบหัวเราอเยาะความเจ็บปวดของคนอื่นมาจากแม่นี่เองเขาถามด้วยความยุ่จัดทำไงถึงมาหล่นแตกอยู่ที่นี่ได้ล่ะเมื่อกี้เอามาล้างแล้วลื่นหลุดมือความจริงก่านไปแล้วกองหนึ่งแต่พอดีมีโทรศัพท์ใครจะไปนึกล่ะว่าเดี๋ยวแกทเลอร์ทล่ามาเจอแจ็คพอต กองย่อยที่เหลือเข้าให้หนึ่งในกองย่อยที่แม่ว่าคือเศษยอดแหลมตั้งเดราวกับขวากดักสัตว์และเขาก็เป็นผู้โชคดีรายแรกยิ่งคิดยิ่งหัวเสียงั้นแม่น่าจะปล่อยไว้นี่ถ้ายังไม่เก็บกวาดเลยให้เหลือเศษแก้วกระจายเกลื่อนยังดีกว่าจะได้เห็นง่ายขึ้นนั่นนะซีแล้วอ่างล้างจานก็มีแม่เอาไปล้างในครัวไม่ได้หรือไงได้นะได้อยู่แต่มันขี้เกียจเดินพูดแบบลากเสียงขำเสร็จ ก็ยืนอ้าปากหัวเราะก้ากากากอยู่คนเดียวอย่างเห็นคำพูดตนเองเป็นมุกตลกชิ้นเด็ดจองเริกร่ำร่ำจะเหลืออดเกอบพร่องว่าแม่มักง่ายช่วยและขาดความสำนึกผิดอย่างแรงเพราะเลิเล่แล้วยังมีหน้ามาหัวเราะใส่หูคนเดือดร้อนจากผลงานตัวเองอีกแต่วินาทีเดียวกันนั้นจู่ๆก็ระลึกขึ้นได้ว่าเมื่อไม่ช้าไม่นานมานี้ เขาเองเคยเปิดประตูกระแทกหลังนักเลงโตพอเห็นฝ่ายนั้นดิ้นครุกขลักแทนที่จะขอโทษกลับหัวเราอเยาะจนกระทั่งเกิดเรื่องเกิดราวลุกลามและผลสุดท้ายโดนดีเจ็บเนื้อเจ็บตัวเข้าให้บ้างสลดใจและโปร่งตกอย่างรวดเร็วกำอะไรทําให้เจอกับดักในห้องน้ำก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเคยหัวเราเยาะคนอื่นไว้บัดนี้โดนหัวเราะเยาะกลับ รู้รสชัดเจนเลยว่ามันหน้าโมโหจี๊ดขึ้นสมองขนาดไหนระบายลมหายใจยาวอโหสิให้กับการหัวรอะย่อกของแม่แล้วบังเกิดวูบแห่งความโปร่งโล่งจากการไม่ผูกใจเจ็บและนั่นก็ทำให้สําเนียกรู้เป็นครั้งแรกว่าเมื่อใช้กรรมโดยไม่ผูกใจไม่ติดใจก็ไม่มีพันธะใดๆเชื่อมโยงให้อยู่ในวงจรเดิมๆอีกสะท้อนชัดด้วยความว่างเบาหัวอกชั่วขณะแห่งการอโหสินี่เอง แม่เดินหายไปแล้วครู่หนึ่งก็กลับมาพร้อมขวดยาแดงแอลกอฮอล์พร้อมสำลีและสองพลาสเตอร์ยื่นให้ทำแผลซะจองเริกเกือบคว้ามาแบบกระชากกระชากแต่พอระลึกได้ว่าถ้าทำเช่นนั้นจะเป็นการฟ้องว่ายังมีร่องรอยโทสะแฝงอยู่ในใจจึงรับมาดีๆและพร้อมเอ่ยขอบคุณเดี๋ยวช่วยเก็บเศษแก้วให้ฉันด้วยละกันฉันจะไปคุยโทรศัพท์ต่อลูกชายพยักหน้ารับภาระที่ถูกผลักมาโดยดีอีก แต่รูปต่อมาเขาก็เห็นอาการขบฟันนิดๆและความคัน อ, อกคันใจได้แต่ปลอบตัวเองให้ก้มหน้าก้มตารับกรรมอย่างไร้เงื่อนไขก็จะได้จบจบกันไปหรืออย่างน้อยก็ทุเลาเบาลงมากคราวหน้าถ้าซวยอีกจะได้ไม่เจอหัวเราะเยาะซ้ำเติมเหมือนอย่างนี้อีกจองเลิกรู้ตัวว่าเป็นพวกโกรธง่ายหายช้าแล้วก็ขี้โมโหแบบร้ายลึกจู่ๆพอชีวิตมาถึงจุดหักเหให้คิดอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง ก็คล้ายกำลังพยายามกดคอยักให้ก้มหัวลงราบกับพื้นจึงต้องเจอแรงฝืนต้านมากมายเป็นธรรมดานี่เป็นสิ่งที่เขารับรู้และเตรียมใจรับมือไว้ก่อนหน้าแล้วคิดถึงนชเลหล่อนเป็นความงดงามทางใจแค่นึกเดา ว, ว่าหล่อนจะมีปฏิกิริยาเช่นไรหากประสบกับคราร้ายแบบเขาเจอแม่หัวร้อยเยะเหมือนอย่างเขาิต ใ, ใจจองเิกก็สงบเรางับลงเสียได้ แน่นอนว่าณชเลคงไม่ถือโกรธไม่ผูกใจเจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแม่บังเกิดกล้าวค่อยๆเรียนรู้ว่าการระลึกถึงคนดีทำให้มีกำลังใจอย่างนี้คนดีไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะกับตัวเองแต่ยังมีคุณกว้างออกไปเป็นแรงบรนดาลใจและเป็นเครื่องระลึกได้ว่าโลกนี้ยังมีต้นแบบดีๆที่น่าเอาอย่างอยู่บ้างยิ้มละไมแสนรักหล่นเห็นค่าของหล่นแต่ขณะเดียวกัน อัตตามานะของเขาก็ทำให้เกิดความละอายที่ต้องอาศัยผู้หญิงเป็นแม่แบบได้แต่คิดว่าวันนี้หล่อนเป็นที่พึ่งทางใจให้เขาวันหน้าเขาจะเป็นทางที่พึ่งทางกายและทางใจให้กับหล่อนเขาจะเหนือหล่อนทุกทุกทางและจะเป็นต้นแบบที่ทำให้หล่อนระลึกถึงในยามอับจนเหมือนอย่างนี้บ้างเหลือบตากลับมาเล็งแลบาดแผลบนฝ่าเท้าตัวเองเศษแก้วต่าเข้าไปลึกพอสมควร ปากแผลไม่ฉีกกว้างนะักเลือดจึงทะลักออกมาเป็นริมเล็กๆเด็กหนุ่มเอาสำลีเปล่าซับเลือดและแหวกร่องแผลเพื่อหาดูว่ามีเกล็ดเล็กเก็ดน้อยฝังอยู่ในนั้นหรือไม่เขาคงเสียฝ่าเท้าไปอีกหลายวันและอาจเดินเท้าเปล่าด้วยความหวาดระแวงไม่เป็นสุขไปอีกภาคใหญ่หากเป็นเมื่อเดือนก่อนเขาคงลำพึงว่าทาไมซวยอย่างนี้วะแต่วันนี้เขานึกสงสัยครามครัน ว่านี่เป็นเพียงความบังเอิญหรือว่านี่คือลีลาแสดงตัวของวิบากกรรมกันแน่สมองของเขาเริ่มมีความเชื่อยอดเข้ามาเรื่อยๆทั้งทางอ้อมและทางตรงว่าความเคร่อร้ายโดยบังเอิญไม่มีมีแต่ความประจบเข้ากันระหว่างบุคคลการสถานที่ด้วยแรงดึงดูดของกรรมทุกเหตุการณ์ร้ายดีที่เกิดขึ้นล้วนเป็นการจัดฉากเริ่มจากวิบากกรรมถึงเวลาให้ผล แล้วก็จะส่งแรงดึงดูดเอาบุคคลมาอยู่ในสถานที่ที่สามารถลงโทษหรือตกรางวัลดังเช่นห้องน้ำนี้ขณะนี้มีวัตถุอันเป็นเครื่องลงทันวางรอเขาอยู่ราวกับแล้วดักสัตว์ของนายพรานสำคัญคือไม่มีทางใดที่สัตว์หน้าโง่อย่างเขาจะรู้ตัวเลยว่าต้องเจอกับดักมีแต่ดุ่มเดินไปติดกับและรอการเชื่อสถานเดียว พยายามวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นสดๆดร้อนร้อนนี้ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรตัดเรื่องความซุ่มซ่ามไม่ดูตามมาตาเรือออกไปได้เพราะเศษแก้วมาวางอยู่ในที่ที่ทุกคนเดินผ่านไปผ่านมาเป็นประจำอย่างปลอดภัยสุดวิสัยที่จะนึกว่าวันนี้มีดีรออยู่อีกทั้งแม่ก็ไม่ได้ตั้งใจเจาะจงเล่นงานเขาแม่เพียงเห็นว่าไม่มีใครอยู่บ้านเลยะลา หากทรามล่วงหน้าว่าเขาจะกลับบ้านเวลานี้ก็คงเก็บกวาดเสียก่อนแล้วไม่ใช่ความผิดด้วยความประมาทของเขาไม่ใช่ความผิดด้วยความจงใจทำร้ายของแม่ตกลงคือคนผิดไม่มีมีแต่ความจงใจของกรรมถ้าเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีความบังเอิญมีแต่ผลอันไหลมาจากเหตุก็แปลว่าเขาเป็นแค่ผู้ถูกตัดสินและนี่คือทันทกรรม สำหรับเขาโดยเฉพาะหลังจากเศษแก้วถูกเขาเหยียบก็จะไม่มีใครได้เหยียบซ้ำอีกครุ่นคิดวนไปเวียนมาฉากนี้นาทีนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเขาโดยเฉพาะฉับพลันก็เกิดความเห็นว่ากรรมเป็นสิ่งมีอิทธิฤทธิ์และเป็นอิทธิฤทธิ์ขั้นสูงสุดเหนือฤทธิเดชบันดลบรรดาลใดๆของเหล่าพ่อมดหมอผีและอยู่เหนือกาลังต้านทานของสัมสัตผู้อ่อนแอทั้งปวง ต่อให้เขาฉลาดปราดเปรื่องกว่านี้แสนเท่าลงท่ากรรมตัดสินใจจะเล่นงานเสียอย่างก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปหือสู้นี่คือข้อเท็จจริงที่รุมเร้ามาแสดงให้เขารับรู้ซ้ำแล้วซ้าเล่าตลอดระยะเวลาช่วงหลังๆแต่จนแล้วจนรอดโดยความเป็นปุถุชนผู้ยังไม่พบวิธีรู้แจ้งก็ต้องถามตนเองถามความว่างเปล่าในอากาศหรือถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลลโลกอยู่ดี ว่านี่คือวิบากกรรมแน่หรือทำอย่างไรจะแน่ใจเล่าว่าไม่ใช่เพียงความบังเอิญ น, นิยามของความบังเอิญกับการสวยผลกรรมมีความแตกต่างกันสักเพียงไหนความอยากรู้อย่างรุนแรงทำให้เกิดความเลงแน่วเข้ามาในปัจจุบันเศษแก้วบนพื้นห้องน้ำบานแผลบนฝ่าเท้าความเจ็บปวดที่แล่นไปถึงขั้วหัวใจท้านั่งทอดอะไรกับความเดือดร้อนที่ปราศจากผู้รับผิดชอบ เมื่ อ, องค์ประกอบแห่งปัจจุบันการทั้งฝ่ายรูปและฝ่ายนามประชุมเข้าสู่การรับรู้ทั่วพร้อมและแปลเป็นภาพนิมิตทางใจเพียงหนึ่งเดียวฉับพรันก็บังเกิดรูปแห่งความเห็นที่ประหลาดสัมผสัสว่าที่กำลังปรากฏนบัดนี้คือผลอันเกิดจากเหตุหาใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองลอยๆแต่อย่างใดและตัวเขานั่นเองเป็นผู้เคยก่อเหตุนั้นไว เขาเคยก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่นชนิดที่ไม่อาจมีใครตามมาเอาผิดเขาเคยท้าทายกดแห่งกรรมให้แสดงทันเป็นที่ประจักษ์เขาเคยหัวร้อยเยาะคนกำลังลำบากถึงวันนี้ยังไม่มีใครหน้าไหนเก่งกล้าพอจะมาตามเอาผิดจากเขาได้แต่วิบากกรรมของเขาเองแหละที่ทำได้คนเราไม่อาจเก่งได้เกินกรรมของตัวเอง วินาทีแห่งความบังเอิญรู้นั้นยังฉายให้เกิดความเห็นแจ้งบางประการคือเขากำลังตกอยู่ในท่ามกลางกระแสแห่งความซวยอันยืดเยื้อยาวนานหาที่สุดไม่ได้ครอรายหลายครั้งที่ผ่านมากับครอรายนา น, นัประการยังยืนเข้าคิวรอเล่นงานเขาอยู่เรียงรายและกระหายเลือดความกลัวแผ่ออกเหมือนเงามืดครอบคลุมไปทั้งจิตวิญญาณเหมือนคนเหงื่อตก จากการถูกผลักไสไปสู่คุกทมินที่เห็นอยู่ตรงหน้ารอมร่อเขาไม่อยากเข้าไปเขาอยากอยู่ในเขตปลอดภัยแต่ไร้กำลังต้านทานการรุนหลังขับใสของแรงกรรมอย่างสิ้นเชิงแต่แล้ ว, วินาทีต่อมาสภาพความอย่างรู้ก็เลือนลงกลายมาเป็นความรู้สึกนึกคิดของนายจองเริกตามปกติเขานั่งอยู่ในห้องน้ำหน้าซีดและไม่รู้อะไรเลยตาเห็นแต่สีสันวัตถุหูได้ยินแต่ความเงียบกายสัมผัสแต่ ฝ, ตฝาซ้วม และพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบนี่คือสภาพการรับรู้อันคับแคบจำกัดของมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ผูกถูกปิดกั้นไว้ไมิให้ทราบชัดว่ายังมีอะไรอีกอย่างหนึ่งที่พร้อมจะเล่นตลกกับชีวิตตนได้ตลอดเวลาประสบการณ์อย่างรู้กรรมวิบากเพียงชั่วอึดใจเดียวช่วยเขาได้มากอย่างน้อยก็ทาให้เกิดการเปรียบเทียบได้ว่าปกติจิตจะมีความคิดสุ่มๆห่อหุ้มอยู่อานสงสัยอะไรก็ได้ อาจเลือกเชื่ออะไรก็ได้อาจซุ่มเดาส่งเดชกลับไปกลับมาอย่างไรก็ได้ไม่อาจเอาแน่ขึ้นอยู่กับว่าขณะนั้นตั้งทิศทางและมุมมองไว้อย่างไรถูกใครป้อนความเชื่อให้แบบไหนประสาทถูกสันครอนเยี่ยงคนเริ่มตระหนักแล้วว่าตนเดินทางอยู่ในท่ามกลางหมอกหมัวแห่งความไม่รู้เพียงด้วยตาเปล่าอันสรงให้รู้เห็นจากัดจำเคลียเขาอาจเชื่อว่าโลกกลมก็ได้ หรืออาจเชื่อว่าโลกแบนก็ได้นับประษาอะไรกับกรรมวิบากที่ไร้ตัวตนให้จับต้องตราบใดยังจับไม่มั่นคันไม่ตายก็ป่วยการจะประกาศให้ใครๆเชื่อว่าเป็นสิ่งมีจริงปรากฏตัวได้จริงแถมแสดงผลอยู่ทุกขณะจิตทั่วทุกมุมโลกอีกด้วยหลายนาทีกว่าจะสงบจิตสงบใจหมอกมัวในหัวลดลงจองเิกเอียงคอเล็กน้อยเรื่องน่าชงนที่สุดในโลกก็คงไม่พ้นเรื่องกรรมวิบากนี่เอง และนั่นหมายความว่าเรื่องน่ารู้น่าพิสูจน์น่าจับต้องให้ได้ก็คือเรื่องกรรมวิบากนี่เองดวงตาเปิดขึ้นเต็มหน่วยถ้าเขาเป็นคนแรกที่สามารถพิสูจน์ด้วยเทคโนโลยีได้ว่าการเหยียบเศษแก้วหยกๆนี้ของเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นวิบากกรรมอะไรจะเกิดขึ้นรอยยิ้มชนิดหนึ่งผุดขึ้นเต็มหน้าคาตอบคือโลกทั้งใบจะพลิกเปลี่ยนโฉมไปน่ซี คนเราทํากรรมชั่วก็ด้วยความไม่รู้จักผลของกรรมชั่วว่าผลิตผลแล้วจะเผ็ดแสบยืดเยื้อปานใดแต่ถ้าทุกคนรู้ชัดไม่ใช่แค่เชื่อตำตามกันไม่ใช่แค่เชื่อแบบกลับกรอกไม่ใช่แค่เชื่อแบบขานเหตุผลก็แน่นอนว่ามวลมนุษย์จะช่วยกัน ร, ระดมกําลังปั่นโลกให้หมุนไปอีกทางหนึ่งไม่ใช่พากันดันให้กลิ้งหลุนลงสู่เหวนรกเช่นที่ผ่านมา หากเขาทำสำเร็จจริงก็คงเป็นกรรมใหม่ที่ส่งผลกระทบกับวงกว้างแรงพอจะกรบกลืนกรรมเก่าที่เคยทำร้ายคนเป็นล้านให้กลอยลงได้อย่างแน่นอนคงประมาณเอาน้ำทั้งสระมาเจือจางรสเกลือแค่กําปั้นเดียวเกลือย่อมไม่อ่านให้รสเค็มได้อีกอ่ากรรมใหม่นี้แหละทางรอดจากความซวยทั้งปวงของเขาหวัดดีพี่เค้กเพื่อหัดกดปุ่มรับสายอยางรู้ว่าต้นทางคือใครจาได้ไหมพรุ่งนี้ พรุ่งนี้เป็นวันเกิดของคนสำคัญที่สุดในชีวิตผมเด็กหนุ่มผู้แสงและประกาศก้องเรากับผู้ยังรู้กฎดินฟ้ามันผู้ใดลืมวันเกิดนางในดวงใจแห่งตนมันผู้นั้นสมควรโดนฟาดด้วยแท้ชุบน้ำเยี่ยวให้เข็ดหลาบเอาเวลาฟังแล้วหัวร้อร่วนเปิดฉากคุยกับเพื่อหัดคราวใดเขาก็ทำให้หลอนหัวรอได้ในคราวนั้นเสมอโหโหดจริงๆเลยจอมยุทธท่านนี้ ออขอโทษนะพี่เคก้กพอดีติดสายอีกสายหนึ่งอยู่ธุระด่วนของเพื่อนนะ่ะนี่ถ้าไม่เห็นว่าเป็นสายของพี่เคก้กไม่รับนะเนี่ยเดี๋ยวสักแป๊บผมโทรกลับนะจ้ายญิงสาวรับคําแบบเสียงอ่อยลงนิดหน่อยงั้นเสร็จธุระแล้วเดี๋ยวโทรหาพี่นะครับผมแล้วหนุ่มรูปงามก็กดปุ่มโยกสายมาหาบุคคลที่คุยค้างอยู่เมื่อครู่อ่าขอโทษทีครับฝนเพื่อนมันโทรมาขอให้ช่วยสอนการบ้าน ผมบอกมันว่าตอนนี้ต่อให้ท่านนายกมากดออดขอความช่วยเหลือที่หน้าประตูรั้วผมก็ต้องปล่อยให้ท่านรออยู่ตรงนั้นก่อนโอยขนาดนั้นลองฝนเออยแบบติดสำเนียงหัวรอกขันเขาโทรมาให้ความรื่นรมแกหลนมาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วเด็กสาวบอกตอนเองว่าเกิดมาไม่เคยเจอใครคุยสนุกเท่านี้เลยเมื่อกี้ที่ผมถามฝนบอกว่าเต็มใจจะเอ็นใหม่แน่ใช่ไหม ใช่คณะที่เรียนอยู่นี่ไม่ชอบหรอกยอมเสียเวลาปีหนึ่งเพื่อให้อีกหลายๆปีของชีวิตที่เหลือเป็นไปตามใจชอบดีกว่าถ้าเป็นผมผมก็เสียดายเหมือนกันนะเท่ากับต้องเรียนทั้งหมด5ปีแนะ่แต่ดีแล้วผมกับฝนอาจนัดไปงานรับน้องด้วยกันผมจะปกป้องไม่ให้รุ่นพี่มารังแกฝนได้และองฝนยิ้มกว้างสมัยนี้เขาไม่ปล่อยให้รุ่นพี่รังแกน้องใหม่กันแล้วมัง้งใครบอกเพิ่งปีที่แล้วเนี่ย เพื่อนใกล้บ้านผมมาเล่าให้ฟังเล่นบ้าๆขนาดเอาเครื่องช็อตไฟฟ้ามาจี้กันเลยละ่ะฮะจริงเหรอที่ไหนมีงี้ด้วยมีจริงๆแบบว่าทำโทษคู่ที่วิ่งสามขาเข้าเส้นชัยเป็นอันดับโหล่นะ่ะเรอองฝนนึกภาพตามแล้วหัวรอกขำหารู้ไหมว่านั่นเป็นเรื่องอําเล่นแบบให้ฟังเพลินๆของพฤหัส ต, ตายอุตส่าห์กอดคอวิ่งขโยขเหกกันมาเหนื่อยแค่แพ้ก็เสียใจแย่แล้ว ยังโดนไฟช็อตให้หนําใจรุ่นพี่อีกนั่นแหละรุ่นพี่มันตั้งไฟไว้แบบอ่อนๆนะ่ะไม่เอาถึงจอสนิทแต่ขนาดนั้นก็เล่นเอาชักตาตั้งปากเบี้ยวได้แล้วแกล้งจี้แบบไม่ให้รู้ตัวด้วยแค่บอกไว้ตอนต้นว่าใครเข้าเส้นเป็นคู่สุดท้ายจะมีรางวัลใหญ่ใครจะไปนึกว่าหมายถึงการเจ็บตัวครั้งใหญ่เพื่อหัดฝึกปั้นน้ําเป็นตัวจนกระยิมว่าฟังสมจริงสนิทสนมไปทุกคํา เขาถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่คนตั้งใจเรียนการแสดงต้องซ้อมไว้ให้ชำนาญถ้าหลอกทุกคนได้ทุกเรื่องก็แปลว่าได้ประกาศ น, นิยบัตเบื้องต้นก่อนรับปริญญาทำงานจริงแย่นะละอองฝนสลดรับน้องเล่นอะไรแผลงๆขึ้นทุกทีเห็นเป็นของสนุกพอตายขึ้นมาใครรับผิดชอบดีแต่ลงเป็นข่าวหน้าหนึ่งให้ฮือฮากันเท่านั้นนั่นสิมนุษย์เรานี่ก็ประหลาด ชอบเห็นความเจ็บปวดและเรื่องน่าอับอายของคนอื่นเป็นของเล่นสนุกคิดอีกทางหนึ่งก็คือมนุษย์สนุกที่จะขุดหลุมขวากไวรอตัวเองเดินตกลงไปนั่นแหละมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นวันหนึ่งก็ต้องเป็นทุกข์สองเวยความสุขให้คนอื่นบ้างเพื่อหัดเบะปากทำหน้าเมื่อยพอสาวพูดถึงเรื่องกรรมเรื่องเวรก็ชักขี้เกียจคุยต่อขึ้นมากระทันหันประกอบกับเห็นควรแก่เวลาโทรไปสารต่อกับสาวอีกนางที่กําลังรอเขาอยู่ จึงแต่งเสียงใสตัดบทฝนครับผมดีใจที่เจอฝนวันนี้นะละองฝนอมยิม้มแปลว่าถ้าวันอื่นเจอจะไม่ดีใจเหรอพฤหัสหัวเราะหากโลกนี้ไม่มีผู้หญิงชื่อทายเขาอาจหลงรักละองฝนนี่ก็ได้คุยกับฝนนานๆเดี๋ยวผมนอนไม่หลับคืนนี้รบกวนมานานแล้วละองฝนอารมณ์สะดุดนิดหน่อย1เพราะกาลังคุยติดลม2เพราะเขาเป็นฝ่ายขอวางสายก่อน เหมือ น, นึกอยากโทรก็โทรนึกอยากวางก็วางเห็นหล่อนไม่มีค่าจริงๆิพูดพอดีเดี๋ยวฝนต้องไปทําธุระค่ะคงแค่นี้ก่อนนะครับแต่ก่อนวางผมมีอะไรจะบอกเพื่อหัดเอ่ยอย่างรู้ทิศทางอารมณ์หญิงบอกอะไรละองฝนเตือนเมื่อเห็นเขาเงียบนานอยางจะแกล้งให้อยากรู้บอกแล้วห้ามโกรธนะทำไมจะแกล้งเอาแปรมาบีบแป้นใส่หูหรอใครจะกล้าเด็กหนุ่มหัวเราะ ผมแค่จะบอกว่าฝนหุ่นดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาแล้วตอนเล่นแบดช่วงต้นๆ ต, ตอนฝนยังวิ่งเต้นได้ประเปรียวก็เป็นอะไรที่น่ามองมากเสียดายแรงตกเร็วไปหน่อยฝนน่าจะเล่นกีฬาให้แข็งแรงกว่านี้ละอองฝนระบายยิ้มอ่อนก็สอนฝนให้เล่นเก่งยังต่อยมั่งสิพอเก่งขึ้นคงเล่นได้นานขึ้นด้วยได้เลยแล้วเขาก็แย็บเอาไว้เราไปเล่นกันสองคนบ้างหล่ะ ผมจะช่วยปูเบสิกให้ฝนใหม่หมดค่าสอนแพงหรือเปล่าเรียนฟรีมีข้าวกลางวันแถมอุ้ยโปรโ ม, มชั่นที่ไหนใครเป็นคนเริ่มก็คนที่กำลังขอนัดฝนเล่นแบตนี่แหละริเริ่มแล้วเขาก็ถามเป็นเรื่องเป็นราวพรุ่งนี้เช้าเลยเป็นไงคำนวณเวลาในหัวอย่างรวดเร็วเสร็จจากละองฝนค่อยไปกินข้าวกลางวันแฮปปี้เบิร์เดย์เอาเวลาอืมพรุ่งนี้เลยเหรอใช่พรุ่งนี้แหละ ซุ้มเสียงของเพื่อหัสหนักแน่นและมีกระแสชวนเชิญสูงอะไรบางอย่างทําให้ละองฝนตกปากรับคําไปง่ายๆที่เก่าวเวลาเดิมฝนเห็นผมยืนรออยู่ก่อนแน่นอนละอองฝนยิ้มกว้างห้ามมาช้านะถ้าช้าให้ทําอะไรก็ได้ทีหนึ่งเด็กสาวหัวเราะ อ, อยากรู้ว่าถ้าต่อยคนชื่อต่อยหนึ่งทีจะเป็นยังไงอย่าต่อยตรงหัวใจและกันและจะไม่เป็นอะไรเลยต่างฝ่ายต่างเงียบ เพื่อหัดเว้นระยะเพื่อให้ละองฝนเป็นฝ่ายขอวางก่อนเท่านี้นะครับและพรุ่งนี้เจอกันละองฝนวางสายแล้วนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่คนเดียวในหัวโอลมานไปด้วยความคิดมากมายรู้สึกวิวไหวใจอ่อนแต่ก็ร้อนรนเหมือนมีแรงทยานอยากโลดแล่นไปสู่ความน่าพิศวงแห่งขอบฟ้าในจินตนาการเบื้องไกลเขาเข้ามาอย่างรวดเร็วและหล่อนก็ยังไม่เห็นเหตุผลที่มีน้ำหนักพอ จะห้ามใจตนเองประตูห้องเปิดกว้างน้ะเลนั่นเองละอองฝนหันหลังไปเห็นฝ่ายนั้นเยี่ยมหน้าเข้ามาอย่างจะดูว่าหล่อนทำธุระยุ่งอยู่หรือไม่จึงเป็นฝ่ายทักก่อนเฮ้ hey, ว่าไงพักพวกทักทายด้วยเสียงสดใสเป็นกังวานละอองฝนกำลังนึกขอบคุณน้องสาวอยู่พอดีที่ทำให้วันนี้เป็นวันแห่งการพบเจอคนพิเศษสาหรับหล่อนยุ่งอยู่หรือเปล่าเปล่า กำลังอยากคุยกับตัวเองพอดีได้ยินเช่นนั้นนัชเลจึงพาตัวเข้ามาให้คุยสมอยากโดยเดินไปเอนนอนตะแคงบนเตียงเจ้าของห้องดีใจอะไรอยู่เหรอตาเป็นประกายเชียวต่อยเขาโทรมาหาฉันหละเพิ่งวางเมื่อกี้นี้เองโฮนัชเลร้องออกมาสั้นๆคล้ายร่วมยินดีด้วยแต่สีหน้ากลับเคร่งขรมเป็นกังวลโ ho โ ho เลยละ ละอองฝนหัวเราะเรียนแบบซานตะครอสทั้งหล่อทั้งคุยสนุกเดี๋ยวพรุ่งนี้เขานัดชั้นไปเล่นแบดด้วยน้องสาวเบนหน้ามาจ้องอย่างฉ ง, งนไปกันสองคนใช่พี่สาวเย็นหน้าบีบเสียงตอบด้วยอารมณ์รื่นฝนแต่เธอเป็นแฟนพี่เอ็มอยู่ไม่ใช่เหรอเลิกกันแล้วใครบอกเลิกใครแล้วเลิกเมื่อไหร่เลิกกันทางความรู้สึกมาได้ระยะหนึ่งน้าเลนิวหน้าแน่ใจนะว่าไม่ใช่เพิ่งรู้สึกอยากเลิกเมื่อกี้ ละ อ, องฝนถอนใจทรายทรายไว้ใจตัวเองได้อย่างไรก็ควรจะไว้ใจฝนได้อย่างนั้นนึกว่าฝนใจง่ายแค่เจอเหยื่อลายใหม่เข้อหน่อยก็ทิ้งขว้างของเก่าไม่เหลวแลเลยเหรอใจฝนกับใจทรายเหมือนเหมือนกันนั่นแหละผู้เป็นน้องลุกขึ้นนั่งจ้องพี่ขม็งก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าเหมือนกันตรงไหนบ้างต่างกันตรงไหนบ้างละ อ, องฝนชักแปลกใจกับท่าทีจริงจังของอีกฝ่าย จนต้องจ้องด้วยความฉงนฉงายครามครันหากไม่รู้จักน้องสาวดีเท่าเท่ากับที่รู้จักตนเองก็อาจตั้งข้อหาว่าน้องสาวริษยาหล่อนหรืออย่ากได้หนุ่มหลอไว้เป็นแฟนเสียเองแล้วทําไมต้องทําหน้าดุด้วยละ่ะชายซีเรียสเสียอย่างกับฝนไปก่ออาชญากรรมอะไรมานัชเลรู้สึกตัวก็พยายามคลายหัวคิ้วออกเลยเผยความคิดของตนตรงๆไม่อ้อมค้อมฝนดูไม่ออกเหรอตานี่นะเสือผู้หญิงชัดๆ เอาอะไรมาตัดสินเริกบอกเธอเหรอทายเชื่อสายตาตัวเองแล้วก็เคยถามเรียบเคียงดูจากเริกด้วยเริกก็ไม่ปฏิเสธนะละองฝนยากไหลยทาไมทายตัดสินคนง่ายนักละ่ะเห็นเขาหล่อหน่อยก็หาว่าเป็นเสือผู้หญิงอย่างนี้ผู้หญิงเราก็หมดสิทธิ์มีแฟนหลอกันพอดีนะสิโดนเหมารวมกันท้วนหน้าไม่ต้องเปิดโอกาสพิสูจน์ตัวเสียก่อนน้เลสายหน้าอย่างอัดอั้นขยับจะพูด ทว่าก็ไม่ทราบจะพูดอย่างไรเพราะกรณีนี้หลอนขาดเหตุผลขาดหลักฐานขาดข้อสนับสนุนใดๆทั้งปวงมีแต่สัมผัสรู้สึกจากภายในอย่างเดียวจริงๆพอได้ทีเห็นน้องสาวอ้ําอึ่งตีบตันละอองฝนก็ขี่แพ้ไล่จะตั้งตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนานดูผู้ชายหรือไงตัวเองผ่านแฟนมาสักคนหรือก็เปล่าเพิ่งจะมีคนแรกกับเขาเร็วๆนี้แหละทําเป็นมาสอนแล้ว ร่ำร่ำจะปิดท้ายด้วยประโยคเช่นมีหน้าล่ะขี้ระแวงอย่างนี้ถึงเลือกหนุ่มไม่หล่อเป็นแฟนคนแรกแต่เห็นว่าอาจบาดใจกันยาวเลยยับยั้งไว้เสียฝนนัชเลยทำเสียงอ่อยตาปลอยความจริงทายควรกระดีกระดาไปกับเธอไม่ควรทักให้เธอเสียเส้นอย่างนี้แต่ทายขอพูดตามตรงซายไม่ไว้ใจเขาเลยฝนเองก็รู้จักความสงบของจิต ทำไมไม่เห็นว่าจิตของเขาดิ้นพล้านขนาดไหนเขามีความร้อนมีอัตตาที่แตกต่างจากเราเป็นคนละเหล่าคนละพวกชัดๆล้วองฝนชะ ง, งักไปเล็กน้อยแต่ก็แค่เล็กน้อยเท่านั้นเพราะความหล่อและคารมระดับพระการบางตาอยู่ไม่รู้ละ่ะจะคบซะอย่างใครจะทาไมอยากรู้ว่าถ้าควบคุมไม่ให้มีอะไรเสียหายจะต้องไปแคร์อะไรแค่เริ่มต้นก็มีเรื่องให้หน้าแคร์แล้วละ่ะ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 ดันทำหน้าเหมือนผู้คุมนักโทษอย่างนั้นแหละพอเห็นพี่สาวไม่สบอารมณ์และเล ก, ก็เริ่มอ่อนข้อทายอาจจะคิดมากก็ได้พูดแล้วก็ลุกมาโน้มตัวกอดอีกฝ่ายฝนก็รู้ว่าซายรักพี่สาวของตัวเองขนาดไหนแล้วสายไม่มีสิทธิ์ห่วงฝนบ้างหรือสายเจอเพื่อนของเริกคนนี้ทีแรกก็ไม่ถูกชะตาเลยอธิบายได้ง่ายๆด้วยท่าทางเขาเป็นคนมีจิตใจกลิ้งกระล่อนไปเรื่อย แล้วก็เห็นผู้หญิงเหมือนลูกไก่ในกำมือไปหมดแต่อาจจะเป็นอคติซายอาจจะมองผิดซรายขอโทษและจะรอฟังจากฝนว่าซรายคิดผิดไปจริงๆละอองฝนฟังแล้วอารมณ์ดีขึ้นพอจะกอดตอบขอบใจที่เป็นห่วงแต่อย่าลืมซายเป็นคนพาเข้ามารู้จักฝนเองนะนัชเลรีตาสังหอนว่านั่นอาจเป็นสิ่งที่ทําให้หล่อนโทษตัวเองและถามตัวเองซ้ําๆซากๆไม่รู้จบ ว่าเหตุใดจึงปล่อยให้เป็นเช่นนั้นได้